เรื่องพระเทวทัตทุศีนพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปราบพระเทวทัตความพิสดานว่าวันหนึ่งพระภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าพระเทวทัตทุศีลมีทาอลามกเกลียกล่อมพระเจ้าอาชาศัตรูให้ฆ่าพระบิดาให้รวมกันเพื่อจะฆ่าพระตถาคตด้วยประการต่าง เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลนั่นเองพระศัสดาตรัสว่าในการก่อนกรเทวทัตก็ได้ตะเกียกตะกายเพื่อที่จะฆ่าเราด้วยประการต่างๆเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสชาดกทั้งหลายมีกุรุงคาชาดกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายตัณหาอันเกิดขึ้นเพราะเหตุคือความเป็นผู้ทุศีลหุ้มห่อรวบรัดบุคคลผู้ทุศีล ล่วงไปในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นเหมือนเถาย่านทรายรัดรึงต้นสาละฉะนั้นทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าความเป็นผู้ทุศีลล่วงส่วนรวบรัดอัตภาพของบุคคลใดดุดเถาย่านทรายรัดรึงต้นสาละฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมทำตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจกปรารถนาทำให้ตนฉะนั้น คำอธิบายคำว่าตัญหาเพราะตัญหาอันอาศัยทวารหกคือตาหูเป็นต้นของผู้ทุศีลคำว่าทุศีลล่วงส่วนหมายถึงเขาฤหัตทำอกุศ ล, ลกรรมบท1ิเริ่มตั้งแต่เกิดหรือบรรพชิตต้องครุกกาบัตรคืออาบัตรหนักได้แก่ประราชิกและสังฆาทิเศษตั้งแต่วันอุปสมบทก็ดี ชื่อว่าทุสีล่วงส่วนคำว่าเถาย่านทายรัดปรึงต้นสาละคือปกคลุมไปทั่วทั้งหมดทีเดียวด้วยสามารถรับน้ำด้วยใบในเมื่อฝนตกหนักจึงทำให้ต้นสาละหักลงมาฉะนั้นตันหาก็หักรานพุทสีนให้ลงอบายทั้งหลายเหมือนเถาย่านทายหักรานให้โค่นลงเหนือแผ่นดินฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหลทรงเปรียบตันหาไว้อีกว่าเป็นดุดเท้าบวกขมที่เกิดในานาให้พึงสแสวงหารากคือสมุ ท, ทยัยพึงสแสวงหารากไปตั้งแต่ยอดคือทวารหกอารมหกผัสสะหกกระทบกันแล้วลงสู่วิญญาณหกแล้วตัดเสีย เทาบวกขมก็ถึงความไม่มีบัญญัติสมมุติโน่ น, นี่ตัญหายอมไม่มีที่ตั้งเทาบวกขมที่เปรียบเป็นตัญหานั้นยอมอันตรธานหายไปพระเทวทัตกระเสือกกระสนทําลายสงความพิสดารว่า วันหนึ่งพระเทวทัตเห็นพระอานนทเทระเที่ยวบินทบดีอยู่เข้าไปหาและกล่าวขึ้นว่าอาวุสโอะอนนท์จำเดิมแต่วันนี้ฉันจะทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์พระอานนท์ทูลแด่พระศัสดาแล้วพระศัสดาทรงแปล่งอุทานว่าความดีอันคนดีทําง่ายความดีคนชั่วทํายาก ความชั่วอันคนชั่วทำง่ายความชั่วอริยาบุคคลทำได้ยากแล้วทรงตรัสว่าอานนนคืนชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาแล้วทรงตรัสเป็นพระคาถาว่ากรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทำง่าย กรรมใดลาเป็นประโยชน์แก่ตนและดีกรรมนั้นแหละทายากอย่างยิ่งในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุโล ก, กุตรผลมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ